ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมัชิมาปฏิปทามัชิมาปฏิปทาหรืออริยสัจข้อสุดท้ายคือมัชเป็นประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติหรือระบบจริยธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนภาคปฏิบัติ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 มัจฉิมาปฏิปทาได้รรมาจากกับปปวัตนสูตรพระพุทธเจ้ารับสั่งกับพระปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้บัญประชิตไม่พึงเสพกล่าวคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขในกามทั้งหลายอันสามเป็นของชาวบ้านของปุถุชนนี่ใช่อริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่ง และการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนอันเป็นทุกข์ไม่เป็นอรรยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึง่งตถาคตได้ตรัสรู้แล้วซึ่งทางสายกลางอันไม่ค่องแวะที่สุดสองอย่างนั้นอันให้เกิดดวงตาให้เกิดยานคือการรู้เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานก็ทางสายกลาง หรือมัจิมาปฏิปทานั้นเป็นไนทางนั้นคือมันคาอันเป็นอริยมีองค์ประกอบ8ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพุทธพจน์จากปฐมเทศนา หรือธรรมจักรกับปวัตนาโสณนี้แสดงความหมายเนื้อหาและจุดหมายของมัชฌิมาปฏิปทาไวโดยสรุปครบทั้งหมดที่ควรสังเกตคือความเป็นทางสายกลางนั้นเป็นเพราะไม่เข้าไปข้องแวะที่สุดสองอย่างแต่ไม่ใช่อยู่กลางระหว่างที่สุดทั้งสองที่สุดสองอย่างคือ 1. การมาสุขคัลลิกานุโยกการหมกมุ่นอยู่ด้วยการมาสุข 2. อ, อัตกิละมัานุโยกการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนเองบางครั้งมีผู้นำเอาคำว่าทางสายกลางไปใช้อย่างกว้างขวางหมายถึงการกระทําหรือความคิดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการกระทําหรือความคิดสองแบบสองแนวหรือคนสองพวกสองฝ่ายคือวัดเอาให้ได้ครึ่งทางระหว่างสองแบบหรือสองฝายนั้นความเป็นกลาง หรือทางสายกลางอย่างนี้ไม่มีหลักอะไรที่แน่นอนต้องรอให้เขามีสองพวกลสองฝ่ายก่อนจึงจะเป็นกลางได้และจุดกลางหรือเส้นกลางก็ไม่แน่ลงไปว่าแค่ไหนสุดแต่สองพวกหรอสองฝ่ายเขาจะยึดถือปฏิบัติกันแค่ใดทางสายกลางนั้นก็ขยับขยื่นเลื่อนไปให้ได้ครึ่งทางระหว่างสองพวกรสองฝายนั้นบางครั้งทางสายกลางแบบนี้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 คือทางสายกลางเปรียบเหมือนการยิงลูกศรหรือยิงปืนอย่างมีเป้าหมายจำเป็นต้องมีจุดที่เป็นเป้าการยิงถูกคือการกระทาที่พอเหมาะพอดีให้ลูกปืนหรือลูกศรพุ่งไปสู่จุดที่เป็นเป้าความเป็นทางสายกลางย่อมอยู่ที่การยิงตรงพอดีสู่จุดที่เป็นเป้านั้นการยิงที่เฉ๋คลาดพลาดออกไปข้างๆย่อมไม่ถูกต้องทั้งหมด เมื่อเทียบกับการยิงที่ผิดเฉ๋คลาดพลาดออกไปข้างๆทั้งหมดแล้วจะเห็นว่าจุดหมายที่ถูกต้องมีจุดเดียวและเป็นจุดกลางเป็นจุดที่แน่นอนส่วนจุดที่ผิดพลาดมีมากมายและไม่แน่นอนล้วนเควออกไปเสียข้างๆและเส้นทางที่เข้าสู่จุดหมายนั้นก็เป็นเส้นทางกลางเช่นเดียวกันทางที่ถูกต้องมีจุดหมาย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 จึงเป็นทางสายกลางหรือมัตชิมาปฏิปทาอันหนึง่งโดยเหตุที่ทางสายกลางเป็นทางที่มีจุดหมายแน่ชัดหรือความเป็นทางสายกลางขึ้นอยู่กับความมีเป้าหมายที่แน่ชัดผู้ปฏิบัติจึงต้องรู้จุดหมายจึงจะเดินทางได้คือเมื่อจะเดินทางจะต้องรู้ว่าตนจะไปไหนด้วยเหตุนี้ทางสายกลางจึงเป็นทางแห่งปัญญา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 มนุษย์จึงจะสามารถจัดการกับชีวิตด้วยมือของตนเองหรือสามารถดําเนินชีวิตให้ถูกต้องดีงามกันได้เองโดยไม่ต้องคอยหวังพึ่องอํานาจศักดิ์สิทธิ์ฤทธานุภาพดนบันดาลจากภาย น, นอกและเมื่อมนุษย์มีความมั่นใจด้วยอาศัยปัญญาเช่นนี้แล้วมนุษย์ก็จะไม่ต้องไปหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่ห่วงกังวลว่าจะมีอยู่นอกเหนือวิสัยของมนุษย์ทาทีแห่งความมั่นใจเช่นนี้แหละ คือลักษณะอย่างหนึ่งของความเป็นทางสายกลางผู้เดินทางสายกลางเมื่อเข้าใจปัญหาและกาหนดรู้แนวแห่งจุดหมายแล้วก็จะมีความรู้ความเข้าใจตามมาอีกด้วยว่าทางสายกลางสู่จุดหมายนั้นคือทางดำเนินชีวิตที่ไม่ตีราคาค่าตัวต่ำถึงกับยอมสยบจมลงในกระแสะโลกปล่อยชีวิตให้เป็นทาสแห่งอามิต ท, ที่เป็นเหยื่อล่อของโลก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 จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยงมงายพุทธพจน์ในอังคุตระนิกายติกานิบาตและในคณิกาสูตรขุตกานิกายอุทานอาจช่วยขยายความหมายที่สุดสองอย่างนี้ได้อีกแห่งแรกทรงเรียกการมสุขขันธิการนุโยคว่าอาคาละหะปฏิปทาแปลว่าทางกลรานหรือทางหยาบกรานได้แก่ คนพวกที่เห็นว่ากามไม่มีโทษแล้วดื่มดำหมกตัวอยู่ในกามทรงเรียกอัตกิลมฐานุโยคว่านิชามะปฏิปทาแปลว่าทางเกลียมหรือทางแห้งเกลียมได้แก่ข้อปฏิบัติต่างๆของพวกอเจรกะคือชีเปลื่ยการยกเอาอเจรกะขึ้นมาพึงถือว่าทรงยกเป็นตัวอย่างเท่านั้นส่วนมัชฌิมาปฏิปทา ทรงไขความว่าได้แก่ทำหมดใดก็ได้ในโพธิปักกิยธรรมสาสิบเจดประการอันได้แก่สติปฐานสี่ปทานสี่อิทธิบาทสี่อิน 5, รีห้าพละห้าพชทชงเจ็ดและมักมีองแ์8แห่งที่สองมีความว่าคนพวกที่ถือเอาการเล่าเรียนเป็นสาระถือเอาศีลวัดการหาเลี้ยงชีพการถือพรหมจรรย์ และการบำรุงบำเรอเทพเจ้าเป็นสาระนี้เป็นที่สุดข้างหนึ่งและคนพวกที่ถือวาทะว่าโทษในการไม่มีนี้ก็เป็นที่สุดข้างหนึ่งที่สุดสองอย่างนี้เป็นเครื่อง พ, อพ่อผูนอวิชาตันหาอาวิชาตันหาก็ พ, อพ่อภูนทิฐิคนทั้งหลายไม่รู้จักที่สุดสองอย่างเหล่านั้นพวกหนึ่งก็ติดล้าอยู่พวกหนึ่งก็วิ่งเลยไป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 เป็นการดำเนินตามแนวทางของมัชชิมาปฏิปทาแต่จะเห็นได้ว่าในทางปฏิบัติมีอยู่เสมอที่มนุษย์ปฏิบัติผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปได้วยความรู้ความเข้าใจตรงตามจุดมุ่งหมายของระบบวิธีและกิจการเหล่านั้นการปฏิบัติผิดพลาดนี้น่าจะเป็นไปในทางเอียงสุดสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งกล่าวคือพวกหนึ่ง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 วิริยะสมตาแปลว่าความพอเหมาะพอดีหรือสม่ำเสมอแห่งความเพียรสมตาคือสมภาวะแปลว่าความสมความดุลคือพอเหมาะพอดีสม่ำเสมอบางคราวถ้าชัดเจนว่าเดินถูกทางมั่นใจและพร้อมทุกอย่างแล้วท่านให้ระดมความเพียรสุดกำลังถึงจะตายก็ต้องยอม เช่นพระพุทธเจ้าตั้งพระไทยเด็ดเดียวในราตรีที่ตัดสรุ้เป็นตน้นดังนั้นเรื่องวิริยะสมะตานี้จึงไม่ควรสับสนกับทางสายกลางรวมความว่าถ้าไม่เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิก็ไม่มีมัชฌิมาปฏิปทาถ้าไม่ดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาก็แก้ปัญหาดับทุกข์ไม่สำเร็จ